เป็นผู้มากด้วยอาบัตมีความประพฤติไม่เรียบร้อย 3. เป็นผู้คลุกคลีด้วยขรืหัดในทางที่ไม่สมควรหรือเป็นบุคคลดังนี้ 1. มีศีลวิบัตคือเสียหายทางศีล 2. อมีอาจารวิบัตคือเสียหายทางความประพฤติหรือมารยาทสา ม, มีความเห็นวิบัต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 ไม่พึงต้องอาบัต้นั้นซ้ำอีก 7. ไม่พึงต้องอาบัตประเภทเดียวกันนั้น8ไม่พึงต้องอาบัตที่เล็วกว่านั้น9ไม่พึงตําหนิกรรมนั้น10ไม่พึงตําหนิสง์ผู้ทํากรรมนั้นสิอไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ภิกษุปกติสิสอง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 อยู่ในชนบทชื่อกีตาคิรีต่อไปส่งแสดงลักษณะการทําปรบภาชนิยกรรมว่าอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรเป็นธรรมซึ่งมีข้อกําหนดเหมือนตัชนยกรรมซึ่งกล่าวมาแล้วแล้วส่งแสดงลักษณะของภิกษุผู้กวนลงปรบภาชนิยกรรมคือการขับไล่หลายประการมีทั้งความไม่ดีไม่งาม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 และได้แสดงอาการอย่างอื่นในทางที่ไม่สมควรคำว่าไม่มีอยู่ก็แต่ขนมคลุกงาหรือตินสังคุลิกาในที่นี้คือต้นสกุลของขรหาบดีผู้นี้มีอาชีพทําขนมคลุกงาขายอันหนึง่งขรหาบดีผู้นี้เป็นพระอนาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงแนะให้สงสวดประกาศลงปฏิสารณียกรรมคือให้ไปขอโทษเคฤรพหัดที่ตนรุกรานล่วงเกินและทรงแสดงลักษณะของการทำปฏิสาวรนิยกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมในทํานองเดียวกับตัชนิยกรรมที่กล่าวมาแล้วส่วนลักษณะของภิกษุผู้ควรลงโทษแบบนี้ท่านแสดงไว้สี่หมวดหมวดละห้าข้อคือ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 หมวดที่สอติเตียนพระพุทธเจ้าให้คฤือหัดฟัง 2. ติเตียนพระธรรมให้คฤือหัดฟัง 3. ติเตียนพระสงฆ์ให้คฤือหัดฟัง 4. ด่าหรือพูด ข, มข่มคฤือหัดด้วยถ้อยคำอันเลว 5. ้รับปากอันเป็นธรรมแก่คฤือหัดไว้แล้วทำให้คลายเคลื่อนคือไม่ทำตามนั้น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 ให้ขอขมาคฤหัตคือปฏิสารณียกรรมก็ทำได้ต่อจากนั้นส่งแสดงการเสียสิทธิหรือการประพฤติวัด18อย่างเหมือนที่กล่าวไว้ในตัชนียกรรมแล้วส่งแสดงวิธีที่จะปฏิบัติในการขอขมาคฤหัตซึ่งจะต้องมีการสวดประกาศสงส่งภิกษุเป็นทูตไปด้วยรูปหนึ่ง